เจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตใจเรื่อมใสฝ่ายธรรมทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบห้าธุมภาพัน์ต้มงกับวันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนสามในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นสิบห้าข้ามวันเพ็ญเดือนสามซึ่งโดยปกติทุกปี <c oughs> จะเป็นวันที่มีการกระทําพิธีกรรมหรือมีการบูชาในวันนั้นเพราะว่าเป็นวันมาคะบูชาคำว่ามาคะบูชานี้หมายถึงการกระทําการบูชาในวันในเดือนในในเดือนมาคะซึ่งในสมัย โบราณ น, นั้นเรียกเดือนสามนี่ว่าเดือนมาคะเหตุการณ์ที่เรามีการบูชาในวันมาคะบูชานี่ก็นเนื่องจากว่านอดีตสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้นวันนั้นเป็นเวลาประมาณ เเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นสองเดือนได้ทรงประกาศพระธรรมคาสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 8. ปหลังจากที่ได้ประกาศพระธรรมคาสอนก็มีผู้ที่มีความเลื่อมสายศรัทธามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นจำนวนมากและได้นำธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยสาวกมีเป็นจำนวนมากตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามคือระยะเวลาเจ็ดเดือนต่อมา หลังจากวันที่พระเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกก็ได้มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมากันเองมาตามกระแสจิตมาเพราะมีความลำลึกถึง พระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าที่ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ <c oughs> ปฏิบัติธรรมจนกลายเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสบาสจ า, ก ค, ากความทุกข์ความเศร้าหมองทั้งหลายภายในใจท่านเหล่านั้นจึงเกิดความ ฉันทะวิริยะที่อยาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามจึงได้เดินทางมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนเลยมีจำนวนถึงพันสองรอยห้าสิบรูปทั้งหมดนี้ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังเป็น ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุสัมปทาคือการอุปสมบทโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งวาจาว่าจงมาเป็นภิกษุกันเถิดทมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วขอให้เธอจงนำไปพระพุทธพรมจันเพื่อความสิ้นเห็ น, หนแห่งทุกเถิด นี่คือการบวชในระยะแรกๆเมื่อมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาก็ขอบวชพระพุเจ้าก็ทรงเปล่งวาชาดังที่ได้กล่าวไว้เราเรียกวิธีการบวชในครั้งแรกนี้ว่าเอหิพิกุปสัมปทาจงมาเป็นภิกษุเถิดเท่านั้นผู้ที่มีศรัทธา ก็ได้เป็นพระภิกษุนอกจากเหตุการณ์ที่ได้เล่าให้ฟังนี้แล้วในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระโอวาทปฏติโมคแสดงหัวใจของพระศาสนาคือแก่นหรือข้อสรุปของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้าง มีอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งสัพภาปัสสะอาการนำการละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงสองกุศลาสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสสัจจตปริโยดะปะนังการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจด เอตังบุตานาซาสนังนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นเพียงหนึ่งในพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ด้วยกันที่ได้มาตัสรู้ ร, รมแล้วประกาศธรรมสอนให้กับสารโลกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตที่ได้เคยมาตัสรู้ และสอนพระธรมก็จะสอนเหมือนๆกันคือสอนในสามหัวข้อที่ได้กล่าวไวน้นี้การละการกระทาบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระ จ, จิตให้สะอาดหมดจดเพราะนี่คือวิธีการที่จะนำพาสัต์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริง ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายจะต้องเกิดจากการปฏิบัติของสัตว์โลกแต่ละบุคคลไม่มีใครจะทำให้สัตว์โลก mm. เช่นพวกเราทั้งหลายนี้พ้นจากความทุกข์ได้ ไม่มีใครจะทำให้เราสุขให้เราจเจริญได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนทางกายวาจาใจให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ให้ไปสู่ความสุขความจเจริญได้เพราะนี่เป็นสัธจธรรมเป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนสถานที่ใดก็ตามเรื่องนี้จะเป็นเรื่องตายตัวดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าของแต่ละพระองค์จึงสอนเหมือนเหมือนกันหมดเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะนำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้ไปสู่การสิ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ได้ ไม่มีวิธีอื่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเป็นเป็นผู้สอนเป็นชี้บอกเราว่าถ้าเราทุกคนต้องการความสุขความเจริญที่แท้จริงการหมดสิ้นของความทุกข์เราจะต้องปฏิบัติทำทั้งสามประการนี้ถ้าเราฟัง แล้วเราไม่นำไปปฏิบัติความปรารถนาที่ของเราที่จะพ้นทุกข์ที่จะมีแต่ความสุขนั้นย่อมไม่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะผลจะต้องปรากฏขึ้นจากเหตุเหตุก็คือการกระทาของเราด้วยทางกายทางวาจาและทางใจพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูเป็นบรมศาสดา ดังในพระคุณของท่านที่ได้แสดงไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์นําทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้วิเศษที่จะสามารถเศษเป่าให้พวกเรากลายเป็นพระอริยะบุคคลกลายเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสได้ ความพิเศษของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่ทรงตัดสรุ ธ, ธรรมที่จะนำพาสัตว์โลกไปสู่การพ้นทุกข์ได้แต่ไม่มีความสามารถที่จะเสก จ, จะเป่าให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นทุกข์ได้ด้วยด้วยพระ อ, องค์ด้วยการเสกเป่าของพระ อ, องค์ จะต้องเกิดจากการบำเพ็ญเกิดจากการปฏิบัติของแต่ละบุคคลรพระพุทธเจ้าจึงมีแต่หน้าที่สั่งสอนชี้บอกทางผู้ที่มีศรัทธาแล้วนำไปปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมอันประเสริญนี้แต่ผู้ที่ไม่มีความศรัทธา คือหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นความจริงเช่นไม่เชื่อว่าการทําบุญละบาปการทําจิตใจให้สะอาดหมดจด <c oughs> เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงเพราะว่าใจยังถูกโมหะความหลง ปะวิชาความไม่รู้จริงครอบงมอยู่ทำให้มีความอยากในสิ่งต่างๆในโลกนี้ mm hmm. เพราะคิดว่าถ้าได้มีสิ่งต่างๆในโลกนี้ mm hmm. เช่นสมบัติเข้าของเงินทอง mm hmm. บุคคลต่างๆตำแหน่งยศถาบรรดาศักด์ความสุขที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพ ที่ถูกออกถูกใจว่าเป็นความสุขเป็นความเจริญก็จะไม่เข้าใจถึงหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ลดให้ละในความในการยินดีในเรื่องราบยศสรรเสริญกรรมสุขเพราะว่าใจของปุถุชนนั้นยังมีความมืดบอดมีความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นตรงข้ามกับสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เกิดศรัทธาก็แสดงว่าจิตใจนั้นมีความมืดบอดมากแม้แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปสู่ใจเพื่อให้ได้เห็นถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้ก็ต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีกรรมมากเคยสะสมกิเลสตัณหาโมหะอวิชชามามากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรับคำ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จึงถือว่าเป็นคนที่เสียโอกาสไปถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่ได้รับประโยชน์จากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง แต่สำหรับพวกท่านทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในวันนี้เป็นพวกเป็นเป็นคนที่มีบุญมีกุศลเพราะว่าการที่เราจะมาวัดมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมนี้จะต้องเกิดจากจิตที่มีศรัทธามีความเชื่อในบุญในกุศลในบาปในกรรม ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสแสดงว่าจิตใจของเรานั้นไม่มืดสนิทไม่มืดบอดสนิทจนกระทั่งไม่มีแสงสว่างอันใดเข้าไปได้เลยสแสดงว่าใจของเรานั้นยังมีความสว่างสลัวสลายอยู่บ้างและเมื่อได้สัมผัสแสงจากคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ทำให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดวิริยะความภาคเพียนที่จะประกอบคุณงามความดีที่จะละการกระทำความชั่วทั้งหลายและจะปฏิบัติจิตภาวนาชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดดังนั้นการเกิดของเรามาเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนา จึงเป็นความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคเป็นวาสนาของเราเพราะว่าเราได้มาเจอสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนเราจึงควรมีความมั่นใจแน่วแน่ต่อ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ว่าจะเป็นผู้ที่นําพาเราไปสู่ความสุขความเจริญที่เราทุกคนปรารถนากันได้เราจึงมีความฉันทะความยินดี มีวิริยะความภาคเพียรที่จะเดินทางมาที่วัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราเพราะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนไปที่ใจเป็นหลักไม่ได้สอนไปที่สิ่งของต่างๆ บางคนไม่เข้าใจคิดว่าเมื่อได้ทำบุญได้ปฏิบัติทําแล้วจะเจริญในทางลาภยศสารเสริญกามาสุขนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเพราะว่าธรรมที่เราปฏิบัตินี้เป็นเหมือนกับยารักษาโรค โรคที่จะรักษานี้ก็คือโรคขอ ง, งความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างหากผู้ใดมีธรรมะอสมบเข้าไปในใจแล้วจิตใจจะสงบจิตใจจะเย็นจิตใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับชีวิตของเราในแต่ละวัน เพราะเรามีธรรมแสงสวา่างมีปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำให้เราไม่หลงติดอยู่กับสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานี่ต่างหากคือผลที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ได้เป็นผลที่จะตามมาจากภายนอก <c oughs> แต่ผลที่เกิดจากภายนอก ก็มีส่วนด้วยแต่เป็นผลพลอยได้ไม่ได้เป็นผลหลักคือคนทำบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี้ไม่จาเป็นจะต้องร่ารวยไม่จาเป็นจะต้องมีตำแหน่งที่สูงไม่จาเป็นจะต้องมีใครมาสรรเสริญไม่จาเป็นจะต้องมีความสุขในกามะคุณทั้งห้าแต่ผู้อื่นที่เห็น คนที่ปฏิบัติธรรมเป็นคนดีเป็นคนที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็<ม>าอาจจะให้าะลาภยศสารเสริญสุขหรือสนับสนุส น, นให้คนคนนั้นได้เจริญในลาภยศในสารเสริญในการมสุขได้แต่ไม่ใช่เป็นเหตุต า, ตาย ต, าตัวเสมอไปดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมทำบุญทำทาน รักษาศีลก็ขอให้เราจงมาดูที่ใจของเราดูที่ใจของเราที่มีความสบายอย่างในวันนี้ท่านได้มาที่วัดท่านก็ได้มาทำบุญให้ทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมใจของท่านก็มีความสบายไม่มีความวุ่นวายใจเพราะในขณะนี้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงหรือ ความอยากต่างๆไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นมาความทุกข์ความวามุ่นวายใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าการกระทําความดีของท่านในขณะนี้เป็นเหตุที่ทําให้กิเลส ต, ตัณหาไม่สามารถแสดงอาการออกมาได้เปรียบเหมือนกับยารักษาโรค เรารับประทานยารักษาโรคเชื้อโรคที่สร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายก็จะไม่มีกำลังที่จะทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยแต่ถ้าเราไม่ได้รับประทานยาแล้วยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ภายในร่างกายอยู่เชื้อโรคนั้นก็จะต้องแสดงอาการ ออกมาทำให้เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา <c oughs> ดังนั้นการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นการมารักษาโรคภายในใจของเรารักษาโรคของความซึมเศร้าเหงาหงอยเศร้าโศกเสียใจอะไราอววรวิตกกังวล กลัวกับเรื่องราวต่างๆนาน า, นาผู้ที่ได้ปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วใจจะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาแม้ว่าในโลกนี้จะมีเหตุการณ์อันใดที่เกิดขึ้นมาก็ตามก็จะไม่สามารถไปทำให้จิตใจหวั่นไหวได้จิตใจของพระพุทธเจ้า กับพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นจิตใจที่สะอาดหมดจดเป็นจิตใจที่ได้รับการชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเ mm hmm. มื่อเป็นเช่นนั้น mm hmm. เวลามีอะไรมากระทบกับใจ mm hmm. ก็ไม่ซึมซาบเข้าไปในใจเพราะใจไม่มีตัวเชื่อม mm hmm. คือกิเลสตัณหาอุปทานความยึดมั่นต่างๆ ไม่มีในใจของผู้ได้แล้วใจของผู้นั้นก็จะไม่ได้รับการกระทบจากสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นใจที่นิ่งสงบเฉยอยู่เป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายกับไครจะเสียอะไรไปก็ไม่เสียใจจะได้อะไรมาก็ไม่ดีใจ เพราะใจไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจนั่นเองใจจึงเปรียบเหมือนกับน้ํำหยดน้ําบนใบบัวหยดน้ํากับใบบัวนี้จะไม่ซึมซับเข้าหากันหยดน้ํำบนใบบัวจะเป็นเป็นรูปกลมๆ ก, กลิ้งไปกลิ้งมาต่างกับหยดน้ําบนกระดาษซับกระดาษซึมเวลาเราหยดน้ําไปบนกระดาษซับกระดาษซึมนี้ น้ำก็จะถูกกระดาษ ด, ดูดซึมเข้าไปนี่คือลักษณะใจของปุตุชนอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายใจของเราเป็นแบบนี้เวลามีอะไรมากระทบกับใจของเราใจของเราจะออกไปรับเต็มร้อยเลยถ้าได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรที่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความดีอกดีใจขึ้นมา เกิดความอยากความโลกที่อยากจะได้สิ่งนั้นๆที่ตนได้สัมผัสให้มีมากขึ้นไปให้อยู่นานๆก็ทําให้เกิดความ <c oughs> ดิ้นรนขึ้นมาการดิ้นรนของใจนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วในทางตรงกันข้ามถ้าได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความ รังเกียจเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเกิดความอยากที่จะให้สิ่งนั้นๆหายไปจากใจนี่ก็เป็นอาการทุรนทุรายอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะชีวิตของของใจของพวกเราทุกๆกคนในวันวันอย่างนี้ใจของเราจะแกว่งไปแกว่งมา เหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาไม่เคยอยู่นิ่งเลยเวลาเจออะไรที่ชอบก็พยายามแกว่ ง, วาง้าไปหาเวลาเจออะไรที่ไม่ชอบก็พยายามแกว่ ง, กวงถอยออกมาเลยเกิดอาการแกว่งไปแกว่งมาใจก็เลยมีความว้าวุ่นขุ่นบวงไปตลอดเวลาแต่ใจของพระอระหันต์หรือของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่แกว่งไปไม่แกว่งมาเวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ได้แกว่งไปหาไม่ได้แกว่งนี้ก็อยู่เฉยๆเพราะตัวที่สร้างให้ใจแกว่งไปแกว่งมานั้นไม่มีอยู่ในใจแล้วนั่นก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ดังนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายปรารถนาความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องหันเข้ามาดูแลใจของเราแก้ปัญหาใจของเราที่ยังมีตัวที่ทําให้ใจของเราแกว่งอยู่นั่นก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจ ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองในทางลาบยศสารเสริญกามกสุขตาแต่ในใจของเราจะไม่เจริญตามไปด้วยใจของเราก็ยังต้องแกว่งไปแกว่งมาก็ยังต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องดีใจเสียใจห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้อยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใด ตั้งแต่พระมาหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนขอทานก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าใจไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าได้รับการแก้ไขแล้วจนไม่มีตัวเหตุที่ทีทำให้ใจต้องแกว่งไปแกว่งมาใจก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายท่าน เป็นใจที่มีแต่ความสุขเป็นบรลมสุขดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เสมอว่านิบานังปรารมสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่ก็คือสภาพของใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาอยู่แล้วใจที่ไม่มีกิเลสตัณหานี้ท่านเรียกว่านิพพานนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่อะไรที่ไหน เป็นสภาพของใจที่สะอาดตริสุดหมดจบผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานก็ไม่ได้สูญหายไปไหนพระพุทธเจ้าบรรลุถึงพระนิพพานตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกในขณะที่มีพระชนมาพรรษาเพียงส5สิบหพรรษาเท่านั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกถึงสี่สิบห้าพรรษาไม่ได้สูญหายไปไหน แม้กระทั่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริิพานไปแล้วก็เป็นการดับของสังขารร่างกายเท่านั้นแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เป็นพานนี้ก็ไม่ได้สูญสลายไปไหนก็เป็นใจสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเป็นใจที่ไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาอันเป็นเหตุที่จะ ทำให้ใจไปเกิดอีกเท่านั้นเองใจก็ยังเป็นใจอยู่อย่างนั้นแต่เป็นใจที่มีแต่ความสุขร้อยเปอร์เซ็นตครบถ้วนบริบูรณ์เป็นใจที่ไม่มีความหิวความกระหายความอยากเมื่อไม่มีแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเกิดอีกต่อไปส่วนใจของปุถุชนอย่างเราทั้งหลายนี้ยังมีกิเลสมีตัณหามีความอยากอ ย, กอยู่ ถึงแม้ร่างกายของเราจะแตกสลายไปในที่สุดแล้วใจของเราก็ยังอยู่นิ่งเฉยๆไม่ได้เหมือนกับลูกลูกตุ้มนาฬิกาที่ยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ก็ยังต้องไปเกิดต่อไปถ้าลูกตุ้มนาฬิกาไม่แกว่งแล้วถ้าใจเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาที่ไม่แกว่งแล้วใจก็จะไม่ไปเกิอดอีกนี่ก็คือความแตกตา่างระหว่างจิตของ พระอรหันต์ทั้งหลายกับจิตของปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองต่างตรงที่ว่าในใจนั้นมีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ไม่เท่านั้นถ้าไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่แล้วใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อร่างกายสังขาร น, นี้แตกสลายไปใจก็ไม่ไปสแสวงหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปก็ไม่ต้องไปเกิด เพราะไม่มีความหิวไม่มีความต้องการรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐะทั้งหลายแต่ถ้าใจยังมีกิเลสตัณหาอยู่อย่างของพวกเราเมื่อตายไปใจของเราก็ยังต้องไปหาร่างกายที่บีตาหูจมูกวิ้นกายเพื่อจะได้หาความสุขกับรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐะอีกต่อไปและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่าต้นเหตุที่ทำให้ไปเกิดนั้นยังไม่ได้รับการชำระนั่นเองตราบใดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆภายในใจยังไม่ได้รับการชำระด้วยการปฏิบัติธรรมใจเขาก็จะต้องเดินทางต่อไปยังต้องแขวนไปแขวนมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายไม่ปรารถนา ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาความทุกข์อยู่ล่ำไปเราก็ต้องน้องเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือพยายามละกายกระทำบาปทั้งหลายเสียสร้างผู้สมตทั้งหลายให้ถึงพอและชำระจิตใจ